103. เจ้าชายสิทธัตถะยังไม่มีพุทธธรรมให้ปฏิบัติในช่วงระยะที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแม้แต่ทรงออกผนวดอีกหกปีพระองค์ก็ยังไม่มีพุทธธรรมจากที่ไหนนให้ปฏิบัติเพราะช่วงนั้นพุทธธรรมยังไม่เกิดยังไม่มีในโลก ออกปฏิบัติธรรมตลอดหปีนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของพุทธในพระชนชีพจากประสูติถึงทรงออกผนวด29พรรษาพระองค์ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแม้ทรงออกผนวดอีกหพรรษาพระองค์ก็มีแต่ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยา ตามสมัยนิยมยุคนั้นเหมือนยุคนี้นิยมออกป่าปฏิบัตินิยมหลับตาทรรมสมาธิและพระองค์ก็ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาได้สุดยอดยิ่งกว่านักบวชใดๆในยุคไหนๆพระองค์ไม่ได้ทรงบรรลุธรรมใดๆอันเป็นพุทธธรรมเลยแม้สักน้อย ก็ความเป็นพุทธธรรมยังไม่ปรากฏเลยในโลกพระองค์ก็ปฏิบัติไปตามชาวโลกยุคนั้นเขาเท่าที่ชาวโลกเขารู้เขามีกันเพราะพุทธธรรมมันยังผนึกลับอยู่ในในส่วนลึกของจิตในจิตพระองค์เองพุทธธรรมมันไม่มีอยู่ที่ไหนหรอก พระองค์นั่นแหละคือเจ้าของพุทธรรธรรมธรรมะสามีแต่ตอนนี้มันยังไม่ออกมายังไม่ถึงเวลาพุทธธรรมจะปรากฏพระองค์จึงเหมือนลิงลมอมข้าวพองก็เมาเมางงงแบบลิงลมอมข้าวพองไปกับสังคมโลกเขาก็หลงทําอะไรต่ออะไรตามโลก ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติไปกับมนุษย์ทั้งหลายในกระแสโลกกระแสสังคมที่เขามีกันอยู่ในสังคมยุคนั้นตามประสาะกับเป็นไปาตามวิบากของพระองค์เองตลอดหปีที่ทรงปฏิบัติไปตามโลกเขานั้น มันยังไม่มีทั้งทางปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่สำมาทิฏฐิมีแต่วิธีปฏิบัติที่ยังมิฉาทิฏฐิอยู่ทั้งนั้นพระองค์ก็ทำไปตามตามเขาอย่างไม่รู้อย่างคนหลงผิดมืดมัวโมหะเมาเมาโมโมะงงงไปกับความไม่ชัดไม่จริง จึงเรียกว่าอยู่ในภาวะลิงลมอมเข้าพองที่เป็นคนงงงไม่รู้ความจริงชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยความจริงแท้ๆอย่างไม่มีพุทธธรรมเกิดมาให้ปฏิบัติแต่อย่างใดเลยในขณะนั้น